ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการ ฟ, ฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญานุเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายเมื่อก่อนอาตมาได้นำเรื่องของ กุมารบินดชาดกนะว่าด้วยอนิสงค์ของการถวายขนมกุมมารที่พนามริกาเทวีได้ถวายแด่พระพุทธเจ้าจนกระทั่งได้รับได้รับอนิสงค์คือได้เป็นอัครเมสีของพระเจ้าประเสิทธิคุณ น, นะพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดง เรื่องในอดีตของพระองค์เองนะว่ า, าสมัยที่พระองค์ทรงเกิดเป็นคนยากจนได้ถวายขนมกุมม่าแด่พ ร, ระปัจเจกับพทธเจ้าสี่องค์ด้วยขนมกุมม่าสีก้อนเนี่ยก็ยังได้รับอนุสงฆ์มากมายนะซึ่งญาติโยมก็ติดตามรับฟังอยู่ก็คงจะพอทราบว่าเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรอันนี้ในวันก่อนญาติโ ย, ยมฟังมาถึงตอนที่ พระองค์คือรบริษัทะนะะสมัยที่เป็นพระราชาก็ได้มานึกถึงอดิตชาติของตัวเองที่ได้ถวายขนมกุมมาสีก้อนแด่พระปัจเจกับพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็ได้รับอนิสงมากมายคือจะเป็นหอทองดอกไม้ทองหรือว่าสเสวตาฉัตรแผ่นดินนางอัปสอนอะไรต่างๆเหล่านี้นะ ก็เกิดความดีพระไถยมมีพัสริระทั้งสิ้นเต็มเปี่ยมไปด้วยปีติปีตินี้คือทราบซึ้งในคุณทราบซึ้งในในการกระทำของตัวเองที่สามารถทำได้คือถวายข้าวกุมมาสเนี่ยขนมกุมมาสสก้อนเนี่ยคือทราบซึ้งปีติมากแต่ก็เห็นอา น, นิสงส์ประจักษ์ชัดด้วยพระองค์เองนะ พระองค์ทรงมีพระราชารถัยชุ่มเย็นด้วยปีติโยงฟังมาถึงตรงนี้ทีนี้ข้อความจะเป็นอย่างไรญาติเยิมก็ฟังต่อได้เลยเมื่อทรงขับเมื่อทรงขับเพลงขับที่ทรงอุทานออกมาที่ทํากลางหมาชนได้ตรัสคาถาว่าได้ยินว่าการปรนิบัติพระอนมัทสีปัจเจกับพุต้าทั้งหลายมีผลหาน้อยไหม เชิญดูผลของการถวายก้อนขนมกุ้มมาที่แห้งและมีรสจืดชืดเถิดโปรโดดูผลแห่งการถวายก้อนขนมกุมมมาที่เป็นเหตุให้เรามีช้างโคมา้ารั์และข้าวเปลือกมากมายทั้งแผ่นดินทั้งสิ้นและนางนารีเหล่านี้ที่เปรียบด้วยนางอับซรเชิญดูผลของการถวายก้อนขนมกุมมมาเถิด อันนี้พระราชาก็ปร่งอุทานออกมาคล้ายๆร้องเพล ง, งนะนะคล้ายๆเป็นบทเพลงที่แต่งด้วยอนิสง์ของการถวายขนมกุ ม, มาตโยมที่นี้เป็นยังไงโยมอันนี้ในอัตกราตานตนี้ท่านขยายได้โยมฟังดูนะทักษินาทานที่ตายกกำหนดคุณของสมณะขออภัยนะโยมนะ ในบทว่ากุมมาสาปินดะที่อยากความว่าพระราชาตรัสอย่างนี้หมายถึงขนมกุมมาที่พระโพิสัตรถือไปโดยรวบโดยรวมขนมกุมมาสีก้อนเข้าด้วยกันนั่นเองทักษิณาทานที่ทายกกำหนดคุณของสมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีคุณแล้วยังจิตให้เลื่อมใสยังเจตนาทั้งสของผู้มุ่งหวังการ เกิดผลให้ป่องแผ้วแล้วจึงถวายชื่อว่ามีผลไม่น้อยมีแต่จะอํานวยมหาสมบัติให้ในที่ที่เกิดแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นในข้อนี้จึงมีคําที่ท่านกล่าวรับรองไว้ว่า mm hmm. เมื่อจิตเลื่อมใสแล้วทักษิณาที่ถวายแล้วในพระตถาคตเจ้าในพระปัจเจกั บ, บุตรเจ้าหรือสาวกของพระองค์ก็ตามชื่อว่ามีผลน้อยไม่มีนะเมื่อจิตเลื่อมใสแล้วทักษิณาทานชื่อว่าน้อยไม่มีนะ แต่เพื่อแสดงถึงเนื้วความนั้นควรนําเรื่องวิมานวัตถุทั้งหลายมาสาธกมีอาทิอย่างนี้ว่าคืออนิสงค์ของการถวายทานที่เทพธิดาทั้งหลายได้กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกอีกเล่มหนึ่งนะคือในวิมานวัตถุท่านได้ยกมาเป็นตัวอย่างว่าท่าท่านายกมาเป็นตัวอย่าง สำหรับเทวดาบางองค์บางนางที่เขาไปเกิดในสวรรค์เพราะอาศัยการให้ทานนะอย่างเช่นนางนี้ได้กล่าวว่าดิฉันได้ถวายน้ำนมเก่ภิกษุผู้เดินไปบินทบาทเชิญชมวิมานของดิฉันนั้นเถิดดิฉันเป็นนางอัปะสอนสาวสวรรค์ผู้มีผิวพรรณน่ารักดิฉันมีนางอัปะสอนพันหนึ่งเป็นบริวาร เชิญดูเถิดวิบากของบุญทั้งหลายเถิดเชิญดูผลวิบากของบุญทั้งหลายเถิดด้วยผลบุญนั้นผิวพันธ์ของดิฉันจึงเป็นเช่นนี้ด้วยผลบุญนั้นสิ่งนี้จึงสำเร็จแก่ดิฉันโภคะทั้งหลายไม่ว่าชนิดไหนซึ่งเป็นที่รักเป็นที่พอใจเกิดขึ้นแก่ดิฉันด้วยผลบุญนั้นดิฉันจึงมีอนุภาพรุ่งโรดอย่างนี้และผิวพันธ์ของดิฉัน เรงรัศนีไปทั่วทุกทิศอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่ท่านนิยกมาเนี่ยว่าเทพิดานางนี้ได้เพียงแค่ถวายน้ำนมเก่ภิกษุผู้ไปบินาบาทก็ได้ไปเกิดในสวรรค์มีสมบัติอันเป็นทิพย์มากมายตรงนี้ท่านก็นำข้อความใน พระตไตรปิฎกเล่มอื่นๆมาที่บายไว้ณตรงนี้ซึ่งก็น่าฟังนะเดี๋ยวโยมลองฟังดูอีกก็แล้วกันโยมพระราช า, ชาเมื่อทรงแสดงผลทานของพระองค์ด้วยพระองค์เองจริงตรัสอย่างนี้ได้ทราบมาว่าพระโพิสัต์ก็ดีพระสันเพชร พ, พุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีทรงทราบผลของทานอยู่และเพราะเหตุนั้นเองพระาศาสดา เมื่อตรัสประสูตรในอิติวุตกะคือพระไตรปิฎกอีกเล่มหนึ่งจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อเป็นเช่นนี้สัตว์ทั้งหลายก็ควรรู้วิบากของการแจกจ่ายทานดังที่เราตถาคตรู้เพราะฉะนั้นคนทั้งหลายยังไม่ได้ให้ก็ไม่ควรบริโภคและไม่ควรให้ความตรณีที่เป็นมลทินครอบงำจิตใจของพวกเขาตั้งอยู่ ทั้งยังไม่ได้แจกจ่ายแม้จากคําข้าวคําสุดท้ายคําข้าวคําที่กินเสร็จของพวกเขาก็ไม่ควรบริโภคถ้าพวกเขาพึงมีปฏิกขาหกดูก่อนที่สุทั้งหลายก็เพราะเหตุที่สัตว์ทั้งหลายไม่รู้วิบากของการแจกจ่ายฐานนี้เหมือนที่เราตถาคตรู้ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายยังไม่ให้ก็บริโภคและความตระหนีที่เป็นมนทินก็ครอบงําจิตพวกเขาตั้งอยู่ อันนี้ข้อความท่านยกมาก็มีอธิบายว่าท่านบอกว่ายูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเนี่ยถ้าพวกเธอรู้อณิสง์ของการให้ทานเหมือนกับที่เรารู้นะพวกเธอถ้ายังไม่ได้ให้ทานก่อนพวกเธอก็จะไม่บริโภค น, นถีถ้าถ้าภิกษุรู้อณิสง์ของการให้ทานนะถ้ารู้อณิสง์ของการให้ทานเท่ากับพระพุทธเจ้ารู้นะพิกษุจะต้องให้ทานก่อนจึงจะบริโภคถ้าไม่ได้ให้ก็จะไม่บริโภคเพราะ รู้เห็นอณิสงของการให้ทานอย่างชัดเจนแต่นิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่รู้อณิสงของการให้ทานไงจึงบริโภคโดยที่ไม่ได้ให้นะบริโภคโดยที่ไม่ให้แล้วก็ไม่คิดจะให้ด้วยแล้วก็ความตระหนีก็ครอบงมจิตของเขา เ, เพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้อนิสงของการให้ทานนะท่านยกมาตรงนี้ฝ่ายพระโพธิสัตว์ทรงมีปีติปราโมทย์เกิดขึ้นในวันฉัตรมงคลในวันยกสเสวิตฉัตร ของตนนะจึงทรงร้องเพลงพระราชอุทานด้วยคาถาสองคาถาเหล่านี้จําเดิมแต่นั้นมาเหล่าหญิงฟ้อนของพระโพธิสัตว์ก็พากันร้องเพลงนั้นโดยคิดว่าเป็นเพลงที่พระราชาโปรดโดยคิดว่าเป็นเพลงที่พระราชาทรงโปรโดคือเพลงพระราชนิพนธ์และคนทันที่เป็นนักฟ้อนทั้งหลายเป็นต้นที่เหลือก็ดี คนภายในเมืองก็ดีคนที่อยู่ภายในพระนครก็ดีคนที่อยู่ภายนอกพระนครทั้งหลายก็ดีพากันร้องเพลงนั้นเหมือนกันที่ร้านเครื่องดื่มพัตตะารบ้างที่บริเวณชุมชนบ้างโดยคิดว่าเป็นเพลงที่พระราชาของพวกเราทรงโปรดโยมคิดว่าพระราชาทรงขับเพลงนะที่ไหนได้นะพระองค์ทรงอุทานถึงบุญเก่าของพระองค์ สมัยเป็นคนยากจนโยมนี้ชาวบ้านชาวนครก็พากันร้องเพลงด้วยนะคิดว่าเป็นเพลงที่พระราชาชื่นชอบนะทีนี้เป็นยังไงดงเมื่อเวลาผ่านไปนานแล้วอย่างนี้พระเมสีได้มีพระราชประสงค์จะทรงทราบเนื้อร้องของเพลงนั้นแต่ไม่กล้าทูลถามพระมหาสัตว์คือไม่กล้าทูลถามพระบริษัทธ์จึงเป็นพระราชานะ ต่อมาวันหนึ่งพระราชาทรงเลื่อมใสในคุณงามความดีอย่างหนึ่งของพระนางจึงตรัสว่าน้องนางเ อ, อ๋ยฉันจะให้พรแก่เธอเธอให้ขอให้เธอจงรับพรเ อ, อ๋พระราชาจะประธานพรให้อนุญาตให้ขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะพระนางจึงทูลว่าขอเดชะฝ่าละองตุรีพบัติทปกปกกล้าวปกกระห ม, ม่มอมฉันขอรับพระราชทานพร บรรดาช้างม้าเป็นต้นเราจะให้อะไรแก่เธอข้าแต่ใต้ฝ่าองตุรีพบาทไม่มีอะไรที่หม่อมฉันไม่มีเพราะอาศัยเสดพี่ม่อมฉันไม่มีความต้องการสิ่งเหล่านั้นถ้าหากเสดพี่มีพระราชประสงค์จะพระราชทานพระพรข อ, ขอจงตัดบอกเนื้อเพลงพระราชนิพนธ์พระราชทานหม่อมฉันเถิด ทรัพสมบัติต่างๆก็ไม่อยากได้นะเพราะว่ามีกันเรียกว่ามีมากพอสมควรแล้วนะแต่อยากทราบเนื้อเพลงเนี่ยที่องค์ทรงตัดเนี่ยหมายคือว่าอย่างไรทำไมจึงมีเนื้อร้องเพลงนี้ขึ้นมานี่พระราชาก็ทรงตัดว่าน้องนางเธอจะมีประโยชน์อะไรด้วยพร น, นี้เธอจงรับเอาพร อ, อื่นเถิดพระนางก็ทูลว่าขอเดชะพระอาชญาไม่พ้กล้า หมอมฉันไม่มีความต้องการอย่างอื่นต้องการเนื้อเพลงพระราชนิพนธ์อย่างเดียวพระราชาก็ตัดว่าน้องนางดีแล้วเราจะบอกให้แต่เราจะไม่บอกแก่เธอคนเดียวในที่ลับจ า, จากให้ตีกรองจากให้ตีกรองป่าวร้องไปในพระนครพระนสีประมาณ12บสองโยตให้สร้างรัตนบันลังที่พระทวารหลวงคือที่ประตูหลวงยม ให้ลาดรัตนบัลลังก์ห้อมร้อมด้วยชาวนครทั้งหลายมีอมารษและพรามเป็นต้นและหญิงมื่นพนนางนั่งบนรัตนบัลลังก์ท่ามกลางคนเหล่านั้นแล้วบอกนางทูลรับว่าดีแล้วเพคะโอ้โหยมพระองค์จะทรงประกาศอ น, นิสงฆ์ของการให้ทานให้แก่ประสบนิกกรได้ไ ด, ไ ด, ไ ด, ได้ได้รับรู้รับทราบนะ คือประกาศให้รู้เลยเนี่ยมีการตระเตรียมเรียกว่าอืม…จัดสถานที่ใหญ่โตโอราณมากมายเหลือเกินโยมเนี่ยพระราชาทรงให้ทําอย่างนั้นแล้วมีหมู่หมหาชนแวดล้อมเหมือนเท้าสักกาเทวราชมีหมู่เทวดาห้อมร้อมเะนั้นแล้วเสิ็จประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์ฝ่ายพระราชเทวีทรงประดับประดาด้วยเครื่องประดับทุกอย่าง ตั้งพระพัทรบริทองพัทรบิด ท, ท, ทองนี่คืออะไรโยมเนาะโยมรู้ไหมอาจารยมายังไม่ทราบนะขออภัยนะเดี๋ยวฟังไปก่อนยยมทรงตั้งพัทรบิดทองทรงช้ำเลืองหางพระเนตรดูที่สมควรข้างหนึ่งแล้วประทับณนะที่ตามความเหมาะสมถูลว่าข้าแต่เสร็จพี่ ขอเสด็จพี่จงตรัสบอกเนื้อร้องของเพลงมงคลที่เสด็จพี่ปลื่มพระไทยแล้วทรงขับร้องแก่หม่อมฉันให้ชัดแจ้งเหมือนให้พระจันทร์โผล่ขึ้นบนท้องฟ้าก่อนฉะนั้นแล้วจึงได้ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐผู้ทรงทําความยิ่งใหญ่เพราะกุศลธรรมพระองค์ตรัสคาถาทรงเพลงเสมอเสมอข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพัฒนารัฐหม่อมฉันทูลขอ หม่อมฉันขอทูลถามพระองค์ขอพระองค์ผู้มีพระราชฤทธไทยประกอบด้วยปีติอย่างแรงกล้าโปรดบอกหม่อมฉันเถิดโยมนมะอันนี้เป็นอย่างไรโยมลำดับนั้นพระหมหาสัตว์เมื่อจะทรงทำความเมื่อจะทรงทาเนื้อความของคาถาทั้งหลายให้แจ่มแจ้งแก่พระนางจึงได้ตัดพระสิทธิ์สี่คาถาว่า เราได้เกิดในตระกูลหนึ่งในนครนี้นั่นเองได้เป็นลูกจ้างทำงานให้คนอื่นแต่มีศีลสังวรคือมีศีลบริสุทธ์นะเราออกไปทำงานได้เห็นสมณะสี่รูปผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและอาจาระเป็นผู้เยือกเย็นไม่มีอาสวะยังจิตให้เลื่อมใสในท่านเหล่านั้นแล้วได้ให้ท่านนั่งบนอาสนะที่ปู ด, ด้วยใบไม้เลื่อมใสแล้ว ได้ถวายขนมกุ ม, มารเก่พระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยมือของตนเองผลของกุศลกรรมนั้นของเรานี้เป็นเช่นนี้คือเราได้เสวยราชสมบัตินี้ที่มีแผ่นดินอุดมสมบูรณ์กว้างขวางได้พูดถึงอดีตชาติของตรเองชัดเจนนะโยมเมื่อพระมหาสัตว์บอกผลกรรมของตนโดยพิสดารอย่างนี้แล้ว พระเทวีครั้นทรงเสรับแล้วทรงมีพระไัยเลื่อมใสเมื่อจะทรงทาการสัตุดิพระโพธิสัตว์จึงได้กล่าวว่าข้าแต่มหาราชถ้าว่าพระองค์ทรงทราบผลทานโดยประจักษ์อย่างนี้แล้วใสตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพระองค์ทรงได้ก้อนข้าวก้อนหนึ่งต้องถวายแก่สัณพราหมณ์ผู้ทรงทมนั้นแหละ จึงจะเสวยคือว่าถ้าพระองค์ทรงรู้อนิสงฆ์ของการให้ทานด้วยพระองค์เองอย่างนี้ต่อไปนี้เนี่ยพระองค์เมื่อได้ก้อนข้าวมาแม้ก้อนหนึ่งจะต้องถวายแก่สมณพราหมณ์เป็นแน่นะถ้าไม่ได้ถวายเนี่ยก็จะไม่ทรงเสวยแล้วได้ทูลคาถาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นอธิบดีในพระกุศลธรรมขอพระองค์จงทรงพระราชทานก่อนจึงเสวย ขอพระองค์อย่าทรงประมาททรงหมุนล้อคือพระธรรมเถิดข้าแต่มหาราชผู้ทรงเป็นอธิบดีในพระกุศลธรรมคือเป็นใหญ่ในการทำบุญนั่นเองโยมคาว่าอธิบดีในกุศลธรรมนี้นะขอพระองค์อย่าได้ทรงดำรงอยู่ในอธรรมโปรดรักษาทศพิธรราชธรรมไวเ้เถิดโยามนะตัวนี้ท่านบอกว่าทศพิ ราชธรรมเนี่ยคือธรรมของพระราชา10ประการมีอะไรบ้างโยมคือพระราชาจะต้องรู้จักการให้ทานหนึ่งท่านบอกไง้คือ 1. ทานสศีลสามการบริจาค 4. ความซื่อตรง 5. ความอ่อนโยน 6. ตะบะ7ความเพียรแความไม่โกรธ 9. ความไม่เบียดเบียน10อ่าอันนี้ครบหรือยังโยมอ่ะเลยหรือเปล่าโยม เดี๋ยวโยมดูทีนึ่งนะอาตมาอาจจะอ่านเลยไป น, นิดหนึ่งน 1. นทาน 2, สศีล 3. การบริจาค 4. ความซื่อตรง 5. ความอ่อนโยน 6. ตบะ 7. ความเพียร 8. ความไม่โกรธ 9. ความไม่เบียดเบียน 10. ความอดทนและ11ความไม่ผิดพลาดอ้าวตรงนี้ทำไมมี10โยมนะที่จริงทศพิตราชธรรมนี้ก็น่าจะมี10ข้อนะแต่นี่ท่านเขียนมา นับได้สิบเอ็ดข้อยมอันนี้จะผิดพลาดตรงไหนเนาะอาจจะเป็นทานหรือว่าการบริจาคนี้เกินมาหรือเปล่าโยมถ้าเราเอาทานกับการบริจาคเป็นข้อเดียวกันนะก็จะนับรวมเป็นสิบนะพระเหสีเนี่ยในทุลพระบริษัทซึ่งเป็นพระราชาว่าให้รักษาทศพิธราชธรรมนี้เอาไว้น ะ, ะพระหมหาสัตวเมื่อจะทรงรับผ้าดำรัดของพระนางจึงตรัสขาถาว่าดูก่อน พระธิดาของพระเจ้าโกศลผู้เลวโฉมเรานั้นจะประพฤติตามทางที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายประพฤติมาแล้วเสมอๆนั้นนั่นเองพระอาหารหันต์ทั้งหลายเป็นที่พอใจของเราเราต้องการจะได้เห็นท่านวันนี้ต้องลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟัง ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเคานขอเจริญพร